ทีนี้ในเรื่องของปัญญาเนี่ยมันามที่ได้กล่าวไปมันก่อนว่าเราเข้าใจไม่ถูกระหว่างเรื่องปัญญาที่เป็นโลกิยะปัญญาที่เป็นโลคุตระเนี่ยในเวลาเราปฏิบัติเราจึงลังเลสงสัยว่ารู้สึกแบบนี้ถูกหรือไม่ถูกหรือใช่หรือไม่ใช่คิดแบบนี้ถูกหรือไม่ถูกใช่หรือไม่ใช่ เนี่ยทำให้เราเลยปฏิบัติแล้วสงสัยเฮ้ยทำไปคิดอย่างนี้ถูกไหมรู้สึกอย่างนี้ถูกไหมเนี่ยดูเนี้ยก็ทำให้เราไม่ตัดสินใจเราะนั้นความต่อเ น, นื่องก็จะสั้นลงสั้นลงคนนั่งปฏิบัติไม่เท่าไหร่เพราะถูกความสงสัยนี่ลุมเล้าเขาก็เธอปฏิบัตินะโดยเฉพาะคนที่เคยปฏิบัติแล้วที่ไม่ก้าวหน้าเพราะว่าปัญญาตรงนี้ไม่พัฒนา คือแยกออกไม่ชัดว่าระหว่างปัญญาที่เป็นลูกียะกับลุกุตระเป็นอย่างไรนะฮะอันนั้นวันนี้เราก็จะเคลียรเรื่องนี้ให้ชัดก่อนพูดงว่านะเรื่องของสมาธิว่าดองค์ของสัมมาสมาสมาธิเมื่อองค์ของสมาสมาธิคือความรู้สึกซื่อๆที่เรามาทำซึ่งเป็นองค์ของฌานที่สี่ว่ามีสติและอุปเเปขาเนี่ย สติความรู้สึกตัวอุเบกขารู้สึกซื่อๆนะเพราะนั้นในวิธีการวาเฏียนท่านถึงสรุปมาตรงที่ใช้ฌานที่สี่เลยทีเดียวบางคนสงสัยว่าเทำแบบนี้จะไหมเป็นสมาธิตรงไหนอะไรเนะี่ยไอความรู้สึกซื่อๆตรงนั้นถ้าเราสามารถประคองมันยาวนะมันเป็นเป็นสมาธิทุกขั้นเลยนะไม่ว่าฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ บอกวิาชานที่หนึ่งนบอกว่าวิตุวิจารสงบระ ง, งับเพราะมีวิเวกเป็นธรรมอันเอกหมายความว่าสงัดแล้วจากอากุศลธรรมทั้งหลายสงัดแล้วจากอากุศลธรรมลาภกทั้งหลายนสงัดจากความคิดความปรุงแต่งเพราะนั้นใน <c oughs> ตัวสมาสมาัมมติจึงเป็นบาดฐานของปัญญาเนี่ยมันจะต้องทำความเข้าใจเรื่องสมาสมาัมมติให้ชัดเจนแลาถึงจะเข้าใจถึงปัญญาตรงนี้ได้ถูกต้องฉะนนั้นในสมาสติท่านมาถึงสมาสัมมัิจึงเน้นถึงว่าในฌานที่หนึ่งเนี่ย อ, อวิโตกิจารณรงับลงเพราะอาศัยความสงัดวิเวกจากอากุศลธรรมทั้งหลาย คือความคิดปรุงแต่งในเรื่องราวทั้งหลายนี่เนีย่ยเป็นอกุศลแต่บางทีไม่ได้คิดอกุศลน่ะมันคิดกุศลนี่แหละแต่ว่ามันคิดไม่ถูกกาลเทศะคิดไปนอกเวลาที่เราเท่าเราทำเนื่องรเรื่องนี้อยู่แต่เอาเรื่องอื่นมาคิดอย่างเงี้ยก็ถือเป็นอกุศลอกุศลแปลว่าทําไม่เป็นพูดไม่เป็นคิดไม่เป็นอกุศลแปลว่าแปลว่าไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะแต่ม <c oughs> ันไม่ได้แปลว่าบาปแปลว่าพูดไม่เป็นคิดไม่เป็นทําไม่เป็น พูดไม่ถูกกัลยเทศะทำไม่ถูกกะเทศะคิดไม่ถูกกะเทศะทำการทำเรื่องหนึ่งไปคิดอีกเรื่องหนึ่งทำเรื่องหนึ่งไปคิดอีกเรื่องหนึ่งนั้นเรียกว่าอากุศลเราก็ามักจะแยกไม่ออกตรงเนี้นะทีนี้พอมาชั้นที่สองบอกมีสมาธิอันเอกผุดขึ้นวิตกกิจารณังับลงหมายความว่าพอได้ที่สงบสงัดพนนั้ น, นเวลาเราปฏิบัติเราต้องการที่สงัดเพราะอะไร เพื่อที่จะให้ระ ง, งับวิตกวิจารณได้ง่ายท่านบอกว่าวิตกวิจารจะระ ง, งับเมื่อมีวิเวกมีความสงัดทั้งภายนอกและภายในแต่สงัดภายในยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าเมื่อเราได้สงบวิเวกดีแล้วเนี่ยความคิดเรื่องราวต่างๆมันก็น้อยลงเพราะการกระทบมันน้อยลงความคิดปรุงแต่งวิตกวิจารณก็น้อยลง เมื่อวิตกวิจรนร์มันน้อยลงพอจิตของเราก็อยู่กับสภาวะที่ไม่มีความคิดปุงแต่งนานๆนนความโปร่งเบาสบายก็เกิดขึ้นเร็วมีสมาธิเกิดขึ้นละลักษณะมีธรรมเดชคือสมาธิคือความตั้งมั่นอยู่ณนปัจจุบันตัวปีติและสุขก็สงบงับ่งมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะอาศัยความวิเวกพอมีสมาธิตั้งมั่นขึ้น ตัวปีติและสุขก็สงบระงับพอมาฌานที่สเรื่อว่ามีสัมปชัญญะเป็นธรรมันเอกผุดขึ้นเข้าจิงฌานที่สาอพอปีติสุขสงบระงับว่าธรรมอันเอกผุดขึ้นพออาศัยสติและอาศัยอุยเบกขาและสัมปชัญญนะ อายไปขาและสัญญาในฌานที่สามเนี่ยคือจิตรู้ซื่อและมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันทําให้ละความสุขความทุกข์ความไม่สบายความบุนร่างกายที่มันหนักหน่วงมาตลอดเนี่ยพอเข้ามาถึงฌานนี้ร่างกายเราจะเบาปลงสบายจิตแล้วก็สงบระงับเนี่ยเป็นฌานที่สามฌานที่สี่พอพูดถึงฌานที่สี่ท่านบอกว่ามีตัวเอกคตาที่ฌานที่สามเนี่ยกลายมาเป็น ตัวสติแล็กเปรคาโดยมีสติและอุเปกขานะอันที่1อาศัยตัววิเวกฌานที่1อันที่ฌานที่2 อ, อาศัยตัวสมาธนะิสติและสมาธิอันที่สาอาศัยตัว สัมปชัญญะและอุเบขาอันที่เสียสัยสติและอุเบขาเนี่ยแต่ละชานแต่ละชานเาก็จะแยกเห็นว่าเออมันเข้าถึงชันที่สามจะทํ า, าท 4, ตัวไหนให้ชัดเข้าถึงชานที่สี่ตัวใดไหนชัดเนี่ยเพราะนั้นในวิธีการหลวงพ่อเทียนท่านจึงมาเอาว่าสติและอุเบขาคือความรู้สึกตัวซื่อเนี่ยเราก็สงสัยว่าเ อ, อ้มันใช่หรือเปล่านะเพราะอะไรเพราะฐานทั้งสามเราไม่ชัดฉานว่าหนึ่งเรื่องสมุวิเวกเราไม่เพียงพอสอง ความตั้งมั่นของสติเราไม่เพียงพอ 3. ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเฉยๆไม่เพียงพอความรู้สึกตัวซื่อๆมันจึงอยู่นานไม่ได้เห็นไหมแต่พอไปพูดถึงภาษาปริยัติเนี่ยรู้สึกมันเยอะแยะหลากหลายซับซ้อนแต่พอมาพูดภาษาปฏิบัติมันง่ายๆแต่พราะมันง่ายเพราะไม่มีหลักปริยัติอยู่ด้วยเราเลยสงสัยเอ้มันใช่หรือเปล่า เวลาไปสวดนั้นจําง่ายๆว่าเราไปปฏิบัติที่ไหนที่ไหนเนี่ยให้มีความที่นั่นมีความสงัดวิเวกพอสมควรเพราะฉะนั้นมาพยายามที่จะไม่ให้พูดกันเพราะอะไรไม่ให้ทําเสียงดังเพราะอะไรเพราะเราเวลามันสั้นแล้วเราจะอารมณ์ได้เนี่ยเราก็ต้องจัดสิ่งแวดล้อมมันเ อ, อื้อแต่เวลาแล้วยิ่งสั้นสิ่งแวดล้อมไม่เ อ, อื้อเราก็มาเสียเวลาเฉยๆนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ใน ชุดแรกว่าวิตกพิจารนความคิดปรุงแต่งวิตกกังวลเรื่องโน่นนี้จากหยาบมาเป็นกลางจากมาละเอียดพอได้สงัดมากขึ้นมากขึ้นจิตมันก็ไม่มีอะไรมากระตุ้นกระตือรืองให้คิด <c oughs> มันก็สงบลงนะพอมาฌานที่สองก็บอกมีสมาธิอันเอกพุดขึ้นนะเข้าสิงฌานที่สองปิติและสุขนะเกิดขึ้นพอมาฌานที่สามปิติสุข สงบหายไปเหลือแต่จิตตั้งมั่นจิตเป็นหนึ่งกายกับใจเป็นอันเดียวกันเห็นชัดเจนกายสบายเบากายเบาใจอันที่สามเนี่ยอืทุกขสัจะปะหานาทุกขสัจะปะหานาความสุขและความทุกข์ของกายของใจความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกขสัจะปะหานาคือความไม่สบายกายเนี่ยสงบละ ง, งับร่างกายเบา ส, สุขขสัจจะปะหานาความสบายใจก็ปรากฏนะทีนี้ พอมาอันตัวเนี้ยตัวอันที่สามคือว่ามีอุปเเกขาและสมัมปชัญญะเป็นธรรมมันเองพออันที่สี่มีสติและอุปเเกขาเป็นธรรมมันเองดังนั้นคําว่าความรู้สึกโดยซื่อๆที่ามาใช้กันี่ไม่ใช่ธรรมดาแต่พอเราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาพอเราไม่ได้เดินมาตามลําดับไปรัดเอาปลายมาเลยนะมันก็เป็นไ ป, นปนไม่ได้รู้สึกซื่อๆเดี๋ยวเดียวหาเรื่องคิดแล้ว รู้สึกซื่อซือสักพักนหาเรื่องปรุงแต่งแล้วพราอฐานทั้งสามที่ผ่านมามันไม่ดีไงฐานของสมาธินั่นที่ว่าให้ทําสมาธิไม่จะไปนั่งเพง่งนั่งจ้องนั่งกดนั่งขมนั่งบังคับแต่ว่ารู้อาการความรู้สึกซื่อซื่อภายในกายเนี่ยให้ยาวนานที่สุดคุณจะห ล, ลับตาลืมตาคุณจะหายใจหรือไม่หายใจคุณจะใช้วิธีเคลื่อนไหวหรืออะไรก็ตามแหละแต่ขอให้รักษาความรู้สึกตัวซื่อซื่อชัดๆให้ต่อเนื่องยาวๆแล้วมันเดินไปสู่ฌานที่หนึ่งสองสามสี่ของมันเอง นะแต่ทีนี้ในวิปัสนาเนี่ยท่านไม่ต้องการที่ฌานสูงกว่านั้นเอาแค่แค่เจดุตฌานเนี่ยพอไปฌานสูงแล้วมันเกินจําเป็นเป็นอุเบชาลาสมาธิหรืออั ป, ปนาสมาธินี่มันเกินจําเป็นเพราะฉะนั้นในฌานแค่ที่ 4, ส, สี่ทำจิตรู้สึกซื่อๆเป็นขณิกะสมาธิอุเบชระสมาธินหน่อยนี่ก็พอละนะถ้าก็ไปสู่อั ป, ปนาคือจิตมันนิ่งมันสงบมันลึกมันละเอียดมันปรนี่เกินไปเนี่ย สติสมญามันจะอ่อนไงสมาธิมันจะเกินเพราะนั้นพวกที่เขาทำสมระคาเขาต้องการพลังฤทธิ์พลังฌานพลังปฏิหารไดๆมากเขาก็ไปเอาตัวสงบตัวนั้นเป็นอารมณ์ไปเข้าสวปนาแต่วิปัสนาไม่ต้องการแค่นั้นต้องการแค่สติสมญาและ รู้สึกซื่อเนี่ยให้ตั้งอยู่นาน ๆ, ๆก็สามารถทํางานอะไรอยู่พูดอยู่ก็ได้ทําอะไรอยู่ก็ได้แต่ว่าซื่อๆต่อสิ่งนั้นสัตธรรมเห็นสักตธรรมได้ยินสัตธรรมก็รู้ต่อสิ่งที่เรากำลังทําไม่นํามาคิดเป็นสุขเป็นทุกข์มาปรุงมาแต่งทําได้อย่าทํางานทั้งวันก็ได้เข้าฌานทํางานไม่ใช่มนาดังหลับตาทํางานเข้าสมบัติสมาธิแบบสมถะไม่ใช่เพราะนั้นแบบวิปษาษาัสสนาเข้าสมาธิได้ทุกแห่งแต่คอยทำดังสิ่งนั้นซึ่งล้างถ้วยก็ล้างซื่อ ดังไงล้างซื่อถ้ามันเสียงดังอีลงคงเคร่งนี่แสดงมันไม่ซื่อแล้วล้างซื่อคือลางดูแล้วเงียบปกติจะพูดก็พูดซื่ออ่พูดหมายควารู้เรื่องจบไม่ต้องเสียงดังลบคนคนอื่นมันก็เป็นรู้สึกซื่อในเรื่องนั้นซักผ้าซักเสื้อกวาดบ้านทูเรือนจะความรู้สึกซื่อในเรื่องนั้นโดยที่ไม่ต้องไปคิดวิจารวิจารณแต่ดีไม่ดีใครจะช่วยหรือไม่ช่วยใครจะชมหรือไม่ชมไม่ได้คิด คิดจะให้รู้สึกซื่อในขณะธรรมมันก็เป็นฌานไปในตัวเสร็จแล้วทีนี้เราไม่เข้าใจหลักการ น, นี้เราไปคิดเอาว่าฌานมันน่าจะเป็นแบบนั้นน่าจะมันเข้าใจผิดกันมาตลอดเราไปหลงเอาฌานแบบสมถะมาเป็นฌานแบบใบโฆษนาพอรู้สึกซื่อๆไปนา น, าน ๆ, ๆ, ๆ, ๆเข้านานเข้าไปไงมันก็ไปเห็นความคิดชัดขึ้นชัดขึ้นเหมือนกับเราเห็นกระจกใช่ไหมพอเปิดไฟ ด้านนี้ทางนอกมันมืดเราจะเห็นภาพในกระจกเราชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นหมาย at, ความว่าความเที่ยงของสว่างข้างในเนี่ยมันเที่ยงไม่ใช่ปิดปิดเปิดเปิดป ด, ดับดับติดๆดนะแต่พอมันความเที่ยงของแสงสว่างคือความเที่ยงของความรู้สึกตัวนั่นแหละแล้วจิตของเราก็คือกระจกเงาใสนในข้างหน้าเนี่ยเราเห็นความคิดพอเราปิดไฟด้านนี้เปิดไฟข้างนอกเราก็ไม่เห็นเงาเราละเพราะแสงสว่างข้างในความรู้สึกตัวข้างในนี่ไม่ชัดไม่สว่างพอ เราก็ไปเห็นตัว <c oughs> นามรูปปฏิเชยเทวียนที่ปรากฏขึ้นในจิตไม่ชัดเพราะนั้นวิปัสนาญาณที่หนึ่งทีบอกเมื่อวานว่าถ้ามันเข้าสู่ความรู้สึกตัวซื่อๆได้นานๆเละมันจะเห็นความคิดชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นเรื่อยๆความคิดเข้าความคิดออกความคิดเกิดความคิดดับมันจะเห็นชัดแต่ถ้าความรู้สึกตัวซื่อๆเนี่ยต่อเ น, นื่องตั้งอยู่ได้ไม่นาน แตไม่ใช่ตั้งอยู่ตลอดนะหมายความีอะไรมากระทบก็รู้ทานแล้วก็จบมีอะไรมากระทบรู้ฐานไม่ใช่ว่าตัวรู้เนี่ยตึงนิ่งอยู่งั้นไม่ใช่นะเพราะนั้นคำว่าตัวรู้ในที่หมายควาว่าอะไรมากระทบรู้ทานแล้วก็จบคือรับรู้ต่อนามารูปที่ปรากฏนํามารูปคือความคิดที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจปรากฏเป็นรูปเสียงกิน่นลดปรากฏขึ้นในใจแล้วเอาสติสัมยะที่ได้จากองชานไปรู้ ไปตามรู้อาการนั่ก็ดับไปเดี๋ยวมก็มาใหม่รู้ก็ดับไปเมื่อจิตของเรามันไม่ไปคล้องเกี่ยวกับตามมารูปยาวเนี่ยพอมันเกิดแล้วก็ตามตามรู้เพราะฉะนั้นลักษณะของเข้าสุวิปัสนะคือตามรู้อาการของคำที่เกิดขึ้นในทันเราห้ามความคิดทั้งดีทั้งชั่วไม่ได้เพราะมันมีการกระทบตลอดเวลาแต่เราตามรู้เท่าทันได้ตรงนี้นามารูปปฏิเทียิยานในวิปัสสนาอยางสิบหกก็เกิดแล้เริ่มต้นละนะ ทีนี้บางตัวเนี่ยมันกระทบแล้วเนี่ยมันเกิดไม่มันเกิดไม่ดับอ่ามันตามรู้ก็ไม่ดับใ ห, ให้ทำอย่างไรก็ต้องใช้วิปสัสสนาญาณที่สองหรืนใช้ว่าสัมมัชนะญ า, าคือพิจารณาอาการของความคิดนั้นว่ามันเกิดเพราะอะไร เพราะว่าความรู้สึกส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยไม่มีปัญหาความรู้ ส, สึกกายมีปัญหาความรู้สึกทางจิตมันมีปัญหาอะไรมันเป็นอนิจนาา จ, นนจังทุกขังนาตาเข้าไปพิจารณาถึงตัวนิจจรงทุกขังนาตาเนี่ยตัวสมะสมัญญาญาณ น, นะให้พิจารณาถึงความเกิดขึ้นตั้งอยู่ตกไปของความคิดเนี่ยว่าที่มันไม่ดับมันจะต้องมีเหตุปัจจัยอะไรให้มันอยู่เช่นเราความสบายรู้สึกสบายเกินไปแล้ไปเสพมันไม่ยอมดับแล้วก็ไปแช่ ความรู้สึกไม่สบายความคิดที่ไม่สบายเกิดจากความคิดพอไม่สบายมันก็คิดพอคิดแล้วก็ไปแช่ไปจมอันนี้เราว่าตามแล้วไม่ดับเราเมื่อไปตามรู้มันไม่ดับทําไงก็ต้องพิจารณาว่า น, นี่ลักษณะันนี้เป็นอ น, นิจจ์อ่ะมันไม่ไม่เที่ยงแล้วก็มันมันก็แปรปรวนทําให้จิตแปรปรวนอนามรูปอันนี้ทําให้จิตแปรปรวนทําให้นึกคิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งดีและไม่ดีเนี่ยเพราะอันนี้เป็นลักษณะของของ ของความตั้งอยู่ไม่ได้ของความแปรปรวนอพิจารณายี่สักพักหนึ่งมันก็ดับอแต่ไม่ต้องนึกถึงอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็ได้นึกถึงว่าอาการที่มันเกิดแล้วไม่ยอมดับแนละ้วมันเป็นเพราะอะไรเพราะความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนความอืเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่นานหน่อยแล้วก็พยายามถามรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันดับนี่อันนี้วิปัสสนาญาณเขจะ ตามไปเรื่อยๆจนไปถึงพังคยานดุพยพยายานจินตุมุลจินตุกัญญาตายานไปเรื่อยๆจนไปถึงปัจเวคคณะยานในพวกหนอเนี่ยเขาจะอธิบายกันลําดับยานสิบหกนะแต่ว่าในวิธีการอุปเทียนเราไม่เอาตัวนั้นมาเป็นเป็นกรณีอธิบายเพราะมันเป็นเรื่องของปริยัติแต่ในภาคปฏิบัติเพียงแต่ว่านะตามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆมีอะไรเกิดขึ้นในกายก็แก้ไขไปมีอะไรเกิดขึ้นในใจก็ กำหนดรู้ให้มันมันหายไปในกรณีที่มันมาหายก็พิจารมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายเนี่ยในภาคปฏิบัติมันมันอธิบายกันอยู่แค่นี้พอหายไปแล้วท่านก็ไม่ให้ทิ้งปดีตามดูอีกต่อไปเรียกว่าปจเวกขณะยานในยานสิบหดังนั้นในภาคปริยัตเนี่ยอธิบายกันจนกระทั่งผู้ปฏิบัติเนี่ยสำคัญมันหมายว่าตัวเองได้วิปาาัสสนาญาณขันนั้นขันนี้ด้วยความจา จำเอาอาการนั้นๆตามทีอ่อาจารย์อธิบายแล้วก็เออตัวเองได้ยาสิบหกเท่านั้นรอบเท่านี้รอบแล้วก็มาแข่งกันอันนี้ไม่ถูกละเป็นอุปท า, านตอนนั้นในวิธีการนักเรียนเพียงว่าให้รู้กายารู้ใจซื่อชั ด, ด, ดขึ้นเรื่อยเมื่อมันตั้งอยู่ได้นาน ม, มันก็จะเห็นความคิดปรุงแต่งได้ชัดเมื่อเห็นความเพลิดปรุงแต่งได้ชัดก็เอาสติสัมยาเข้าไป ส่องไปดูเอาปัญญาเข้าไปพิจารณาถึงความเป็นไตรลักษณ์ของมันความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความตั้งอยู่ไม่ได้ของมันเดี๋ยวมันเกิดแล้วมันก็ดับแต่สาเหตุที่มันเกิดแล้วมันไม่ดับเพราะอะไรเนี่ยไอการที่เรามาสํารวจหาสาเหตุทางกายก็ดีทางจิตก็ดีเช่นเขาว่าอะไรมาไม่ถูกหูปั๊บเนี่ยดูถูกเยียดตยามหรือพูดอะไรไม่ถูกมันก็ติดอยู่ในใจแล้วที่นี่มันไม่ยอมดับละคิด อ, อย่างนั้น นี่เขาเรียกว่า <c oughs> ดัวสติสัมยาที่เข้าไปตามรู้มันผิดตั้งแต่แรกว่าสิ่งที่มากระทบหูเป็นสระตัวรูปรูปของเสียงแต่เรากดกำหนดไม่ทันว่าอันนี้คือรูปของเสียงชิ้นทีหนึ่งแต่เราไปสําคัญว่าอันนี้รูปของเสียงของคนนั้นไปเห็นเสียงมันไม่ใช่เป็นรูปเป็นนามแล้วไปเห็นเสียงว่าเป็นคนมีคนพูดมีผู้พูด เราไปเห็นคําพูดว่ามันเป็นดีเป็นชั่วไปเสียมันไม่รู้ซื่อแล้วทีเนี้ยไอ้ตัวที่ไม่ไปรู้เสียงที่มากระทบซื่อมันก็กลายเป็นนามารูปแล้วนามารูปตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปเป็นปฏิฆะเป็นพยาปาทะเป็นหูหงิดเป็นไม่พอใจไปเลยนั่นเพราะว่าเราไปสําคัญผิดตั้งแต่แรกเพราะสติสัมยามาไม่ทันแล้วไปสําคัญสิ่งที่มากระทบของว่าเป็นเสียงของคนนั้นเป็นเสียงดีไม่ดีแต่เราไม่ได้ ดูว่ามันศักตะวะเสียงเนี่ยเราแทนที่เราจะเป็นดูเป็นรูปนามเฉยๆมันกลายเป็นนามารูปเพราะเราปรุงแต่งตามหรือบางทีกลิ่นกระทบจมูกอ๋อในช่วงที่ปฏิบัตินี่มันกําลังหิวพอเขาทําอาหารขึ้นมากิน่นมันเฉยมาปับ๊บก็ไปเห็นว่ากลิ่นนี้เป็นอาหารชนิดนั้นชนิดนี้แล้วก็จิตนาการถึงอาหารแต่ตามรู้ไม่ทันว่าเออนี่คือกลิ่นกลิ่นนี้คือรูปอันหนึง่งมากระทบจมูกแล้วศักตะวะรูป การที่มีสติสัมปชัญญะเข้าไปตามรู้นามรูปที่มากระทบแล้วจะแปลงเปลี่ยนเป็นจิตอสังขารการไปตามรู้เท่าทันจุดนี้ทุกครั้งเรียกว่าโลกุตละปัญญาเห็นไหมตัวโลกุตละปัญญาต้องมีฐานจากตัวสติสัมปชัญญะที่ไปจากรู้ซื่อที่ไปจากองค์ชานนี้จะเป็นโลกุตละปัญญา แต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปวิาพากวิจารณ์หรือเข้าไปชอบหรือไม่ชอบเช่นอาหารมากระทบจมูกแล้วหิวขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเนี่ยเ <c oughs> นี่ยตรงนี้เขาเรียกสติสสนชาติยาน <c oughs> มันทํางานทํางานได้ไวมากนะดังนั้นจุดนี้ผู้ปฏิบัติที่ยังไม่เข้มแข็งยังไม่มีประสบการณ์ก็จะต้องมาเจริญสติเพื่ให้เข้มขึ้นเพื่อให้เกิดความไวของปัญญา เพราะฉะนั้นทั้งหกเนี่ยทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ถูกกระทบให้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์เนี่ยมันพร้อมที่จะแปลงเป็นนีนนามารูปได้ตลอดะเวลาถ้าความรู้สึกตัวซื่อไม่เข้มแข็งนะถ้าความรู้สึกตัวซื่อเข้มแข็งอะไรมากระทบก็เฉยเฉยแต่รู้เรื่องวนะ่าอะไรเป็นอะไรพร้อมที่จะตอบสนองในทางที่เหมาะสมอืไม่ใช่แต่ว่าไม่ได้นํามาคิดปรุงแต่งให้เป็นนั่นเป็นี่เท่านั้นเองรู้เหตุปัจจัย ตรงนี้เขาเรียกว่ามันจิตมันจะทำงานด้วยปัญญาไม่ได้ทำงานด้วยจิตแต่สังขารละเพราะตัวรู้สึกตัวซื่อเนี่ยมันจะเปลี่ยนนามรูปแทนที่จะเปลี่ยนไปเป็นจิตแต่สังขารแต่เมื่อเปลี่ยนเป็ น, ปนวิปัสนาญาณคือเปลีป่ยนเป็นปัญญายานคือเกิดความรู้ขึ้นมาว่าเออเมื่อสิ่งนี้มากระทบนี้จะตอบสนองสิ่งนี้อย่างไรการพิจารณาที่จะตอบ สนองในทางที่ถูกที่ควรที่เหมาะกาลาเทศะนี่นั่นคือตัวปัญญาไม่ใช่ตัวจิตแต่สังขารอย่าไปคิดว่าพิจารณาเพแก้ปัญหานั้นนี้เป็นจิตสังขารไม่ใช่แต่ว่าถูกต้องกาลาเทศะเมื่อแก้ปัญหาจบ ก, ก็จบไม่ได้มาคิดปรุงแต่งต่อเพราะใ น, นลักษณะของโลกุตระปัญญาคือแก้ปัญหาแล้วจบแต่ถ้าหากมันคิดต่อไปนั้นไม่ใช่โลกุตระปัญญาแล้วเป็นโลกียะปัญญาทํางานต่อ เป็นปุญญาวิสังขารอปุญญาวิสังขารแล้วแต่ว่ามันจะต่อไปทางไหนต่อไปทางดีหรเป่าเป็นปุญญาวิสังขารต่อในทางไม่ดีเป็นอนปุญญาวิสังขารคิดต่อไปด้วยความหลงความรู้ไม่ชัดเจนก็เป็นอาเนจรชาวิสังขารเห็นไหมมันจะออกมาเป็นสังขารตัวนั้นเพราะฉะนั네네้นจิตใจสังขารก็ไปแค่ไปจากสามตัวนี้นนั่น blacks. นั่นเองถ้า mm. ว่าเรารู้เข้าใจอย่างนี้ตัวเราจะเห็นว่าความรู้สึกซื่อเนี่ย มันเป็นตัวชาญเส้นที่หนึ่งแต่ทําไมความรู้สึ ก, สกตั้งชื่อๆเนี่ยตั้งอยู่ไม่ได้นานเพราะสมาธิเราไม่เข้มแข็งชาญที่หนึ่งที่สองที่สามเราไม่ไม่เข้ามาสนับสนุนเพราะฉะนั้นการที่เราจะเดินสติกับรูปเนี่ยมันก็จะเป็นดัวสมมุติไปเรื่อยๆแต่เมื่อใดเราไปเห็นการความคิดที่มันเกิดเราตามรู้มันก็ดับตัวนั้นก็เห็นปรามัดละตรงนี้เองเมื่อในวิธีการหอวงพ่อเทียนว่า เมื่อเข้าสู่วิปสัสนาญาณขั้นต้นก็จะเห็นสมมุติปรมัตดเมื่อใดมันออกมาเป็นความคิดปรุงแต่งกีดสังขารเป็นสมมติแต่เมื่อใดตัวรูปนามวารูปเตัวนั้นถูกกําหนดแล้วดับไปโดยที่ไม่คิดปรุงแต่งต่อเป็นปรมัตดตรงนั้นใช่ไหมปรมัตดมันเกิดขึ้นตรงนั้นเราก็ผู้ปฏิบัติก็จะต้องซักซ้อมอยู่ตรงนี้ให้นานที่สุดเพื่อที่ให้ชัดเจนอันนี้เรารู้แบบผลอเผลอเราก็ไม่ไม่ซักซ้อม ประเด็นมก็เบิกไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปตามเรื่องของเหตุปัจจัยแต่นักปฏิบัติมืออาชีพแล้วเนี่ยต้องเห็นความสําคัญตัวนี้หมายขางต้องให้ชัดเจนไปเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนไปว่ารูปนามทําหน้าที่แค่ไหนํามรูปทําหน้าที่ต่อเป็นนามรูปตัวนั้นมันพร้อมที่จะเป็นจิตแต่สังขารพร้อมที่จะเป็นญาณปัญญาขึ้นอยู่กับว่าสติสมัญญมาทันหรือไม่ทันถ้าสติสมัญญมาไม่ทันเป็น จิตแต่สังขารปรุงแต่งไปตามลักษณะทั้งสามประการคือสบายคือดีไม่ดีแล้วก็เฉยๆแต่พอสติธรรมมาทันปับ๊บนมามรูปนั้นเปลี่ยนเป็นปรมัตดนะเปลี่ยนเป็นปัญญาสติสมาธิปัญญานี้เป็นชื่อของปรมัตดด้วยนะเมื่อเราเห็นชัดตรงนี้ก็ซักซ้อมตรงนี้ก่อนเดี๋ยวพึ่งไปไหนว่ามาเห็นวัตถุอคืออะไรวัตถุคือสิ่งที่เป็นนมามรูปคือความคิด ประมาัดคือสติปัญญาที่ตามรู้ทันอาการคือมันมันเปลี่ยนเป็นสังขารหรือมันเปลี่ยนเป็นวิสังขารเป็นตัวปรุงแต่งหรือไม่ปรุงแต่งด้วย อ, อาการของมันถ้าสติสมยะมาไม่ทันอาการที่ปรากฏออกมาก็เป็นอาการของสมมุติถ้าสติสมัยะมาทานันอาการที่ปรากฏก็จะเป็นประมาัดวัตถุประมาัดอาการคือเป็นภาษาหลงพ่อเทียนที่ท่านมันหยัดขึ้นมาใช้แทนคำว่ายานสิบหกน่ะ อันจำแค่นี้อะไรก็ตามที่ปรากฏในใจปับ๊บอันนี้คือวัตถุอารมณ์ละเรียกว่านามรูปภาษาพริยติเขาเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเอาตัวตัวรู้ที่เราฝึกฝนมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเข้าไปรู้ทันมันจะทําหน้าที่รู้ทันนะแต่ถ้าหากความรู้ทันนี้ถ้ามันยังไม่เป็นปรมัติเราต้องคอยระลึกช่วยมันอคอยคอยช่วยถ้ายังเป็นปรมัติของเรายังไม่แก่กล้า แต่ถ้าปรมตทเราแก่กล้าปั๊บเนี่ยมันจะรู้ของมันเองเลยพอนํารนนปูปปรากฏในจิตปั๊บปรมาทก็ทําหน้าที่เข้าไปประกบตัวทันทีเนี่ยเหมือนกับบ้านเรานะ่ยมันมีป้อมยามอยู่นะมันมีป้อมยามอยู่ถ้าผู้ดีผู้ร้ายเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่ป้อมยามจะทําหน้าที่ตรวจเช็กโ ด, ดยอัตโนมัติเลยมาทำมีหน้าที่ตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่รู้ปรมาทรู้แต่สมมุติก็เพียงว่าประตูข้าบ้านไม่มีป้อมยาม ใครพูาเข้ามาเข้าออกก็ไม่ไม่รู้คนดีคนร้ายไม่รู้ <c oughs> เขามาแก้ปัญหาปลายเหตุเอาคือม า, อาถามมาไทยถ้าเกิดเป็นโจรผู้ร้ายก็ได้ต่อสู้ได้ทำร้ายกันถ้าเป็นคนมาดีก็ต้อนรับดีแบบนั้งนั้นดังนั้นในแง่ของสมมตกิก็หมายความว่าเราจะต้องไปแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ในแง่ของปามารมัติมันแก้ปัญหาที่ตุ่นเหตุหมายถึงมีป้อมยามอยู่หน้าบ้านหรือเข้ามาในหมู่บ้านนี้มันมีเกจที่ประตูมีการตรวจเช็คก่อนว่าเป็นเจ้าของ สถานที่ตรงนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็ตั้งแทนที่จะเอาตำรวจป้อมยามไปยินอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมันก็เป็นออโต้ห้องมันเอง เ, อเข้ามาแล้วถ้าเป็นเจ้าของบ้านหรือกลุ่มของเจ้าบ้านตัวจริงปับ๊บประตูมันก็เปิดเองแต่จะไม่เจ้าของบ้านตัวจริงมันก็ไม่รู้โค้ดมันเข้ามาไม่ได้จิตที่เป็นประมัตก็เป็นอย่างนั้นมาทำหน้าที่ห้องมันเองแล้วจะเห็นว่าในเรื่องของนามธรรมาประมัตย์แบบของพอเทียนเนี่ย มันเชื่อเห็นความชัดเจนได้มันไม่ได้มั่วมันสายอื่นสายอื่นมั่วแล้วก็เอาปริยัติเข้ามาครอบเอาปริยัตเข้ามากลบซึ่งคนปฏิบัติไม่รู้ปริยัตอะ่ะมันก็ต้องเชื่อใช่ไหมพ่าเขาไม่รู้อ่ะก็เอาความไม่รู้ของคนเนี้ยมันก็เป็นศรัทธาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติมาทางสายอื่นมันจึงไปไหนไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปสู่ตัวอารมณ์รูปนามปับ๊บเอาปริยัตเข้ามาต่อเลยอธิบายเรื่องปริยัตอธิบายเรื่องของ วิปาาัสนาญาณอธิบายเรื่องของฌานระดับต่างๆไปนั่นเป็นภาษาปริยัติทั้งนั้นที่คนฟังก็คิดเอาตามที่ได้อธิบายโดยก็มีสภาวะอยู่ระดับหนึ่งก็เาสวะเข้าไปเปรียบเทียบกับปริยัติที่มีอยู่ซึ่งอาจารย์วิปัสนาเองก็ไม่ไม่สามารถจะอธิบายให้ชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรดังนั้นในช่วงหลังมาหลวงพ่อเห็น อุปสรรคและปัญหาตรงนี้ว่านักปฏิบัติเราเยอะมากแต่ว่าทำไม ม, ม, มันไม่ก้าวไปถึงไหนไม่ว่าภาพวายงเพอไปติดสักระดับหนึ่งก็ชักไปแล้วไปกับมีคุณธรรมที่จะรักษาใจได้ระดับนึงก็ไปเอาวัตถุมาเป็นที่พึ่งแล้วทีนี้วัตถุก็ประณีตขึ้นละเอียดขึ้นฉลาดในการใช้วัตถุฉลาดในการใช้เทคนิคที่จะให้คนอื่นได้ยอมรับนับถือ ในฐานะตนเองเนือกว่าในแงของผู้ปฏิบัติเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังให้มากๆเลยนะเพราะว่ามันเป็นหัวเรื่หตวต่อที่สําคัญว่าผู้ที่รู้กฎหมายไปทําไม่ดีจะได้รับโทษมากกว่าคนที่ไม่รู้กฎหมายผู้ไม่รู้กฎหมายอาจจะทําไปด้วยแรงบันดาลใจแรงบันดาลโทสะแต่ผู้รู้กฎหมายมีการใครค่ครวญไว้ก่อนใช่ไหม เมื่อสารตัดสินว่าคุณใถ่ควรไว้ก่อนวันโทษผหารชีวิตไม่มีลดโทษไม่มีให้อภัยเพราะในฐานะใครควรไว้ก่อนแต่ผู้ไม่รู้กฎหมายบรรดาโทษะทําร้ายใครลงไปเนี่ยถือว่าเป็นการบันดาลโทษะแล้วกฎหมายก็จะลดให้อันนี้ก็เช่นเดียวกันผู้รู้แล้วไปทําในสิ่งไม่เหมาะไม่สมไม่ควรจะได้รับโทษมากกว่าคนที่ไม่รู้อันนี้ต้องต้องระมัดระวังให้ดีทีเดียวเพราะฉะนั้นการตรวจสอบการไถ่ควรการไตร่ตรองในสิ่งที่เราปฏิบัติ ต้องละเอียดจริงๆไม่งั้นมาผลนิพพานมันก็ได้กันง่ายๆะใครก็ทําได้แต่ที่นี่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเกี่ยวข้องกับความพร้อมทั้งรูปธรรมนามธรรมทั้งส ม, มุติทั้งปรมัตทั้งทางโลกทั้งทางธรรมดั้ น, นั้นเบื้องต้นผู้ผู้ปฏิบัติท่านถึงบอกว่าให้เคลียร์เรื่องระบบเรื่อเบียบเรื่องศีลเถอะก่อนยิ่งเข้ามาแล้วมันจะปลอดภัยถ้าศีลยังไม่บริสุทธิ์เข้ามาแล้วมันเกิด ปัญญาขึ้นมาก็เป็นปัญญาแบบเชโกแล้วทีเนี้พอปัญญาแบบเชโกมันก็สร้างขุมนรกให้ตัวเองลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆมันก็จะออกมายากนะดังนั้นในแง่ของโลกุตละปัญญาให้เข้าใจว่าตัวใดก็ตามที่ปรากฏขึ้นในกายในจิตนั้นเข้าไปแก้ไขให้มันจบ นะถ้าคิดปรุงแต่งอยู่กับแก้ไขความคิดที่มันจบการที่แก้ไขความคิดมันจ บ, ม, ม, นจบมันออกไปแค่นั้นแล้วจบแล้วไม่ต้องไปรู้อะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นพอโลกุตละลปัญญาก็รู้สึกโอ้มันเรื่องใหญ่นะจะต้องรู้เรื่องนั่นเรื่องนี้คิดไปในสุดเข้าไปสู่คลองของโลเ ก, กียะโดยที่ไม่รู้ตัว <c oughs> นะะนั่นเองสําหรับผู้ที่ปฏิบัติในระดับที่จะนําภาวนาได้เนี่ยต้องเข้าใจเรื่องนี้ให้ชัดเจนเพราะอะไรเพราะคน ต่อไปคุณรุ่นต่อไปเนี่ยเขามีพื้นฐานทางความรู้ทางโลกมาสูงอ่และในความรู้ทางโลกเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้ระดับหนึ่งที่เป็นรูปธรรมแต่พอเข้ามาสู่ทางโลคุตัลลปัญญาทางธรรมปั๊บเนี่ยมันจะประสบการณ์ความรู้ทางนั้นอะ่ะมาใช้กับอันนี้ตรงนี้คือข้อผิดพลาด ถ้าหากว่าผู้นําภาวนาหรือพี่เลี้ยงไม่สามารถอธิบายเห็นชัดเจนว่าความแตกต่างระหว่างโลคิยะกับโลกุณละมันแตกต่างกันตรงไหนถ้าตรงนี้ไม่ชัดนะเราก็มั่วไปนะซึ่งคนมาปฏิบัติเขาไม่มีประสบการณ์เขาไม่รู้อะไรเขาก็ต้องเชื่อเพราะเขาไม่มีเหตุผลอะไรจะมาแก่มาโตเถียงเราได้นะนั่นตรงเนี้เราก็ต้องรับผิดชอบว่าในสิ่งที่เราสอนนั้นในช่วงที่ ปฏิบัติเนี่ยในช่วงกลางวันอะไรอนี้ถ้าไม่จําเป็นหลวงพ่อจะไม่ต้องเข้าไปสัมภาษณ์แนะนําอะไรให้มากปล่อยให้นักปฏิบัติทําให้เต็มที่แล้วค่อยมาเคลียร์กันเป็นเรื่องไปเล่าตอนเช้าตอนเย็นแค่นั้นเพราะจะต้องปล่อยให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้อาศัยสติปัญญาของตัวเองถ้าเขาเกินจําเป็นจริงๆเขาไปไม่ไหวจริงเขาจะมาถามเราตรงนั้นใครพูดแต่เขาไม่มาถามเราไม่ต้องไปเสียเวลาแน่อย่างนู้นแน่อย่างนี้เพราะนั่นเป็นการก้าวไกล สติปัญญาของผู้ปฏิบัติผู้ปฏิบัติต้องเกิดสติปัญญาเอาเองไม่ใช่เราไปให้แต่เราจะให้แต่เมื่อเขามาถามว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ตอบในประเด็นเฉพาะประเด็นที่เขาถามไม่ใช่เพ้อเจอ้อหลืองเชื่อไปเรื่อยไม่ใช่เฉพาะประเด็นที่ถ้าต้องถามซักซ้อมเข้าใจยังประเด็นที่ทุงใสเข้าใจเข้าใจกระจุกแต่ถ้าหาประเด็นมันเบลอไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทําให้สับสนทีเนี้ ตองนั้นเองในเรื่องนี้อยากจะเน้นว่าเราต้องระมัดระวังในการให้อารมณ์ในการแก้อารมณ์และในการสอบอารมณ์ก็จะให้เห็นกระบวนการขั้นตอนที่ผู้ปฏิบัติสามารถตรองตามเห็นได้ตรองตามเห็นได้เหมือนกัรเราบอกเส้นทางคนเนี่ยเราจะเดินไปตรงนี้ไปาสเวกัสไปถนนเส้นไหนออกเส้นไหนไปเส้นไหนให้ผู้เดินทางเนี่ยสามารถที่จะนึก ภาพออกได้ว่าจะไปที่เหนือที่ใต้ตะวันออกตะวัตกเข้าเทน้ํานึกภาพออกซะก่อนว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วก็ค่อยอ่านป้ายไปเรื่อยจนกวนไปถึงจุดนั้นนะนนี่การบอกทางเพราะฉะนั้นผู้บอกทางที่พระพุทธเจ้าท่านจัดว่าอาคาตาโรตหาคตาเราเป็นผู้บอกทางแต่ท่านเป็นผู้เดินนะอะทวนท่านจะเดินถูกเดินผิดเนี่ยไม่ใช่เรื่องของท่านก็ไม่ใช่ท่านจะเดินถูกเดินผิดว่าท่านจะต้องเยียบคายในการเดินน่ะ อีกครั้งหนึ่งมีพราหมณ์มาถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าการที่ท่านสอนสอนสอนคนมาเยอะแยะเนี่ยมั่นใจไหมว่าคนที่ท่านสอนไปสู่เป้าหมายที่ท่านต้องการว่าจะให้ผู้ต้องผู้ปฏิบัติเข้าไปสู่เป้าหมายไหนนี่ท่านมั่นใจอย่างไงพระพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพราหมณ์มั่นใจหรือไม่มั่นใจไม่ใช่เรื่องสําคัญสําคัญตรงที่ว่าเมื่อเราบอกทางถูกแล้วน่ะคนเดินทางมันผิดไหม มันเดินถูกไหมแต่เส้นทางที่เราจะบอกคนนั้นถูกหรือผิดต้องเป็นเส้นทางที่เราเดินผ่านมาแล้วอย่างช่ำชองประจากจุดนี้ไปถึงจุดนี้สมมุติจากเมืองสาวัตถีไปเมืองสาเกตคนที่จะบอกทางระหว่างเมืองสาวัตถีไปเมืองสาเกตให้ถูกต้องคนนั้นจะต้องเดินมาอย่างช่ำชองแล้วถึงจะบอกทางได้ถูกว่าออกตรงนี้มันจะผ่าน เส้นทางอะไรบางผ่านสามแพ่งตรงไหนสีนแพ่งตรงไห น, นมาถึงสามแพ่งตรงนี้ควรจะเลือกแพ่งไหนถึงจะถูกมาถึงสีแพ่งตรงนี้ควรจะเลี้ยวซ้ายเลี้ขวามันจะมีทายบอกถ้าหากว่าบุคคลคนนี้เดินตามที่แนะนําได้ถูกต้องชัดเจนแล้วเนี่ยต้องไปถึงเป้าหมายแน่นอนแต่ว่าส่วนใหญ่ผู้เดินทางไม่แยบขายเดินทางไปแล้วเมื่อไปถึงกลางทางแล้วก็ไปหลงทางสามแพ่งสีแพ่งแล้วไปหลงอเลี้ยวถูกเลี้ยวผิดตรงนั้นเราช่วยไม่ได้ าคาถาดูดถาลาว่าปฏิปันาประมกคันติชายิโนมารพันธนาท่านทั้งหลายต้องเดินทางด้วยตนเองเราตถตาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกถ้าท่านเดินทางโดยแยบคายโดยละเอียดโดยที่ทุ่นได้ถูกต้องท่านจะพ้นจากทุกทั้งปวงชายิโนมารพันธนาเพราะนั้นเองถ้าหากว่าเราแปลให้ถูกประเด็นเห็นความหมายชัดอย่างนี้มันก็ง่ายขึ้น ว่าการเดินทางบางครั้งเราจะอาศัยแผนที่ที่บอกอย่างเดียวไม่ได้ต้องอาศัยคนรู้ทางเช่นว่าขับไปถึงตรงนี้ยอามาไปกับโชเฟอร์บอยๆเขาไม่รู้ทางแต่มารู้ทางก็ต้องคอยบอกเขาแต่ถ้าเขาไม่เชื่อนะีมีโชเฟอร์จะมาคนหนึ่งไม่ค่อยเชื่อ ไม่ก็เชื่อเดี๋ยวป่อยให้คุณหลวงไป่อนแล้วกันแล้วหลวงเราเป็นไงเราถึงบอกพอบอ่เข้าๆเลยก็ได้เชื่อว่าแล้วนะมันสังเสียเวลาเสียเ ง, ยงินเสียทองเสียน้ำมันรถนะแล้วคุณไม่ไรับผิดชอบอะไรแต่หลวงพ่อรับผิดชอบเพรคุณต้องเชื่อหลวงพอ่อพออย่างนี้ไม่กี่ครั้งมันก็เชื่อนะอย่างนี้ก็สําคัญนะประเภทคนเดินทางหัวดื้อนี่นะมันแก่ยากตรงนั้นเราะนั้นการชี้ทางการบอกทางต้องชัดเจนนะว่าคนจะไปตรงไหนไปทําไมไปเพื่ออะไรนะ วิธีการนี้ก็เหมือนกันว่าเราบางต อ, ต, อต้องเดินทางให้ชัดเจนว่าเรายกมือสร้างจังหวะทําทไมต้องมาใช้วิธีนี้เรียบเรียงไปตั้งแต่ต้นเลยแล้วเจ้าของผู้พูดผู้สอนเนี่ยมั่นใจไหมว่ามันมันไปได้ถ้ามั่นใจลองเรียงให้เห็นว่าจากจุดนี้ไปลาไปจุดที่ได้อย่างไรจากจุดนี้ไปจุดนี้แร้จากจุดนี้ต้องเห็นชัดเจนเลยแต่ถ้ายังไม่ชัดในช่วงที่เราปฏิบัติเราต้องทบทวนว่าภูมิธรรมเราไปถึงไหนทบทวนไปถึงนั่น พุ่มทาเราไปถึงไหนบอกได้ถึงไหนก็ดอกบอกได้แค่นั้นอย่าบอกเกินที่ตัวรู้ะถ้าบอกเกินที่รู้มันก็จะมั่วละทีเนี้คือเ้วบอกความจริงฉันเพิ่งมาถึงตรงนี้นะเพราะฉะนั้นฉันส่งคุณได้แค่นี้ถ้าต่อจากนั้นฉันไม่รู้เราก็บอกตรงๆมันไม่ใช่เรื่องที่น่าละอายอะไรแต่เป็นการพูดความจริงว่าเนี่ยมันทีมันก็เหตุทําให้คนออปฏิบัติตามขเขาเชื่อมัน่นเออคนนี้รู้จริงรู้ว่าตรงไหนรู้ก็บอกว่ารู้ตรงไหนไม่รู้ก็อบอกไม่รู้น่าเชื่อถือ ซึ่งต่างกับคนที่ว่ารู้ไม่ตลอดแต่สามารถมั่วไปได้อาศัยคนที่ปฏิบัติไม่รู้อะไรตรงนี้อันตรายนะในการปฏิบัติดังนั้นในช่วงปฏิบัติเนี่ยจะเป็นผู้เก่าผู้ใหม่ก็ตามเราต้องทวนเส้นทางเสมอเพราะเส้นทางข้างนอกเนี่ยมันไม่เหมือนเส้นทางเส้นทางข้างในไม่เหมือนเส้นทางข้างนอกเส้นทางด้านจิตใจมันสลับซับซ้อนมากนะแต่เส้นทางข้างนอกเนี่ยมันตายตัว มันได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางจากนี่ไปวัดป่าเนี่ยร้อยครั้งเดินร้อยครั้งเพื่อนขอก็ไปเส้นทางเก่านั่นแหละถึงจะเป็นเส้นทางอื่นเพมันก็ไปไปทางเดียวกันแต่ว่าทางด้านจิตใจเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะบางทีเราตั้งใจทําสักพักเอาเปลี่ยนละเพราะมันไม่เที่ยงแล้มันเปลี่ยนเส้นทางแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันมีเป้าหมายไว้ว่าเป้าหมายที่เราสามารถสัมผัสได้ว่าเออถ้าคุณทําถูกนะ มันจะรู้สึกโปร่งเบาสบายและไม่สงสัยนี่เป้าหมายให้ความโปร่งเบาสบายเนี่ยเป็นเหตุกาให้เกิดปัญญาเป็นเหตุให้เกิดความสุขความสงบแต่ทําไปแล้วมันหนักมันหน่วงมันหนืดมันเหนีนนยวมันปวดมันเมื่อยมันมีอะไรบางอย่างที่จะต้องปรับแก้ไขไปเรืเ่อยๆปรับแก้ไปเรืเ่อยๆแต่ปฏิบัติแล้วคุณจะไม่ยอมหนักยอมหน่วงไม่ยอมทุกเลยก็ไม่ได้เพราะอันนั้นทุกจากการเดินทางมันต้องมีนะ มันต้องมีในช่วงที่เรานั่งปฏิบัติก็ต้องมีหนักมีน่วงมีทวงมีทับแต่เราสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงมันได้แค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความอดทนความสามารถของเราด้วยนะความไวต่อแก้แก้ปัญหาแต่นั่นเองมาก็วิตกอันนี้อย่างหนึ่งบาผู้เผยพร่เนี่ยถ้าหากไม่ชัดเจนตรงนี้จริงๆเนี่ยในวิธีการของหลวงพ่เห็นก็จะเลอะเทอะเลอะเรือนไปเรื่อยในที่สุดก็เป็น ทางแห่งการอยู่อาศัยธรรมะหาอินของผู้ที่ที่รู้และอาศัยคนไม่รู้มันค่อยทำให้เกิดปัญหาแล้วสายงานก็จะเลอะเลือนไปดังนั้นพวกเราทั้งหลายต้องต้องตรวจสอบทั้งนี้ในวิธีการพูดเทียนไม่ใช่อาศัยนับดบทเท่านั้นแนะยมก็สามารถแนได้แต่ว่าบอกว่าเออฉันบรรลุพระหรหัสก่อนแล้วฉันจะมาสอนอย่างเงี้ยไอ้คนชั้นหลังมันไม่ได้ปฏิบัติแน่เพราะไม่แน่ใจว่าคุณจะบรรลุเมื่อไหร่ ไปจนตามบา ง, งทีคุณไม่สามารถจะบรรลุดได้เพราะปัญญาคุณไม่ถึงนะพราะนเอาแค่ว่าเออฉันเดินมาตรงนี้ฉันก็บอกได้แค่นี้นะก็ทําหน้าที่บอกไปรู้แค่ไหนบอกแค่นั้นไม่ผิดนะแต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้เราไปบอกเกินกว่านั้นอันนี้มันจะผิดมันจะเป็นบาปเราเราก็ต้องระมัดระวังนะเพรนั้นการเดินทางทางจิตใจเป็นเรื่องสําคัญเราค่อยๆศึกษาไปทําไปหลักที่มันไม่ผิดเลยก็คือหนึ่ง ทำไปแล้วก็ให้เกิดการระวังสังวร น, นะเกิดการระวังสังวรขึ้นหลักที่ไม่ผิดเลยนะสองก็ <c oughs> คื อ, อข้อวัดปฏิบัติอะไรที่เป็นไปเพื่อทำให้การเดินทางนี้ได้ถูกต้องต้องสรรเสริญส่สงเสริมแล้วก็สมท า, านปฏิบัติข้อวั ด, ดนั้นเต็มที่สามมี การรู้จักประมาณในการใช้ปัจจัยสี่สี่ประลกความเพียรเป็นประจำชาคลาสิกานุโยกนะดังนั้นตรงนี้ทำเป็นประจำหนึ่งรมัสวอนระมััง桑วรนลลตาคายวาจาใจสองดูวิธีการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนระเบียบวินัยต่างๆว่าไว้อย่างไรสามมีการรู้ประมาณ ในการใช้วัตถุปัจจัยต่างๆที่มันจะมาเสริมให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดเงื่อนไขต่างๆที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติให้การกินการอยู่กันหลับการนอนการใช้การสอยการอะไรต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องนั้นให้น้อยลงนะนที่สี่ก็คือทำความเพียรประจำถ้าทำลักษณะสีอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะอันนั้นเองก็ในช่วงเช้าเนี่ยเป็นจุดสาคัญที่เราอยากปรบให้ฟัง เพราะว่าเราจะไม่สงสัยว่าทําไมเราปฏิบัติแล้วก้าวหน้าทําไมปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหน้าเรามาถึงจุดนี้แล้วตอนนี้เราจะต่อจากนี้ไปได้อย่างไรเราจะรู้จุดยืนของเราว่าตอนนี้เรายืนณจุดไหนของการปฏิบัติเราถึงจะต่อได้ถูกแต่ถ้ายังไม่แน่ใจว่าเราอยู่อยู่จุดไหนนี่เราก็แสดงว่าเราโม่วมาตลอดก็ต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่าไปกลัวเสียเวลาในการเริ่มต้นใหม่แต่เริ่มต้นให้ถูกต้องเหมือนเราเดินถงหลงทางน่ะถ้าไม่กลับมาตั้งต้นทางใหม่นี้ มันหลงไปเขเลือกข้างหน้าถ้ากรับมาตั้งต้นใหม่เออตั้งแต่รูปนาวเ ป, นนะนาเป็นยังไงนะนามรูปเป็นยังไงสมมุติเป็นยังไงประมัดเป็นยังไงขันห้าใจรักเนี่ยเป็นยังไงที่ที่คําศัพท์ท่านว่าไว้งั้นเราเข้าใจเห็นไหมถ้าเคลียร์เข้าใจเห็นชัด ก, ก็โอเคละเราก็พยายามซักซ้อมเดินในทางสายนั้นแล้วทีนี้มันเกิดปัญหาอุปสรรคขึ้นมาในช่วงปฏิบัติเช่นปฏิบัติไปแล้วเกิด มีอะไรมากระทบให้เกิดโกรธเกลียดเครียดคุณไม่สบายใจเราก็กลับมาสํารวจตัวเองว่าเอ๊เราผิดพลาดตรงไหนาอาการเหล่านี้เกิดขึ้นในจิตของเราถ้าเรื่องถ้าเราจะไปรู้สึกแบบทางโลกนี่ก็ไม่ใช่นักปฏิบัติล ะ, ะไปอิจฉาพยาบาปชอบไม่ชอบไปเกลียดไ ป, ไปชิงไปชังนั่นไม่ใช่นักปฏิบัติละเราปฏิบัติผิดแล้วเราก็ต้องกลับมาดูอาการที่เกิดในใจของเราเมื่อถูกกระทบอย่างนี้จิตของเราอาการเป็นยังไงดูอาการที่จิตของเรา แต่ส่วนเราจะตอบสนองสิ่งที่มากระทบอย่างไรนั้นจนกว่าจะเกิดเมตตาและปัญญาค่อยตอบสนองถ้ายังไม่เกิดปัญญาและเมตตาตอบสนองไปปับเราก็ต้องได้รับผลดะนะเพราะฉะนั้นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดพอเกิดกระทบปับกลับมาดูใจก่อนไม่ว่าทางดีทางร้ายเขาฉลาดเสื่อจิตใจมันฟูจิตใจมันเบิกบานก็ไม่ใช่จะไปชื่นชมกับคนหรือกระเสียงที่เขามากระทบแต่มาดูอาการห้องจิต โอ้ยจิตมันฟูอย่างนี้พออะไรแล้วโอ๋บอลเราลืมกําหนดรูปน้ําพอเขานินทามาปั๊บจิตมันแฟบก็ไม่สนใจตามดูว่าทําไมต้องเขาพูดอย่างนี้ทำไมทําไมต้อมาดูอาการจิตมันแฟบมันฟอมันโหดมันหูอาการมันเป็นอย่างไรจนกระทั่งว่ามันสงบพอสงบปั๊บมันก็ได้สติได้ปัญญาขึ้นมาที่จะตอบโต้ในทางที่ถูกแต่เราไปตอบโต้เลยโดยที่ไม่จัดการเคลียร์เรื่องจิตของตัวเองเนี่ยอันนี้เราังไม่ใช่นักปฏิบัตินะ มันจะต้องมาเคลียร์จุดนี้ก่อนว่าช่วงไหนมันฟูก็ต้องขามดาวให้มันปกติช่วงไหนมันแฟบก็ต้องคามดาวให้ปกติเพืมาค้ามดาวปกติปั๊บสติปัญญามันเกิดเพราสติปัญญาเกิดก็พร้อมที่ตอบสนองในทางที่มันถูกต้องแล้ทีนี่ดังนั้นอันนี้คือนะักปฏิบัติเราต้องถนักแต่คนทั่วไปที่เขาไม่ได้ปฏิบัติไม่ต้องไปคิดว่าไอ้ทํำไมคนนั้นถึงทำอย่างนั้นคนนั้นถึงพูดเมันเป็นเรื่องของเขามัได้ปฏิบัติอะเมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งเป็นเมื่อก่อนเราก็เป็นอย่างนี้แหละ แต่เพราะเราปฏิบัติเราถึงได้มารู้ว่าอ๋ออันนั้นมันแก้ปัญหาแบปลายเห็นไม่จบแก้ปัญหาแบบสมมติไม่จบเราก็มาแก้ที่ตัวปรมัดคือมาดูอาการวัตถุปรามัตดอาการวัตถุคืออารมณ์อะไรมากระทบแรงหรือค่อยวัตถุหนักหรือเบาปรมัดสติสมัมยิที่เราฝึกมาเนี่ยตามรู้ท่าทันไหมอาการตามรู้เท่าทานันอาการเป็นอย่างไรตามรู้ไม่ทนันอาการเป็นอย่างไรแก้แค่สมตัวเนี่ยวัตถุปรามัตดอาการ มันก็จะง่ายขึ้นนะเพราะฉะนนช่วงเช้ชานี้เราได้สรุปบทเรียนหลังจากนี้ไปเราไปประกอบอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วก็มานั่งปฏิบัติร่วมกันสักพักหนึ่งเราก็จะมาแชร์กันจนถึงเพลเราเพนเสร็จแล้วเราก็ทําพิธีปิดตรงนั้นนะขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่ศึกษาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ให้มันชัดเจนจแจ่มแจ้งจนสามารถเห็นเส้นทางและไปสู่เส้นทางและเป้าหมายนั้น ได้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเกิน